บันนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งคำถามของท่านโตเธยยมานพที่กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากรรมทั้งหลายของบุคคลใดไม่มีตัณหาของบุคคลใดไม่มี บุคคลใดข้าความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคลใดไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งตอบข้อความเปลี่ยนแปลงไปเพียงนิดเดียวโดรับสั่งว่ากามทั้งหลายของบุคลบคลใดไม่มีตัณหาของบุคคลใดไม่มี บุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกอย่างอื่นของบุคคลนั้นก็ไม่มีพระพุทธดำรัสจัดตอบก็ดีคำถามก็ดีนั่นที่จริงเป็นการแสดงเรื่องอริยสัจคือความจริงอย่างแท้จริงโดยปริยายหนึ่งคือระยะหนึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่า คำว่ากามนั้นท่านจำแนกออกไปเป็นสองฝ่ายคือวัตถุกรรมได้แก่สิ่งที่บุคคลไปกำหนดว่าหน้าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลึกะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยในโลกนี้เองบันวัตถุกรรมเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของขทุกขัสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมดา จะเป็นวัตถุกรรมหรือไม่เป็นนั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของคนที่ไปกำหนดวัตถุนั้นวัตถุอย่างเดียวกันปุตูุชนมองมีความรู้สึกอย่างหนึ่งพระอาหารหันต์มองมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแม้แต่ในปุตูุชนเองก็มองมีความรู้สึกไม่เหมือนกันอีนกกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือกิเลสกามที่แปลว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่รำปกติก็เน้นไปในกิเลสสายโลภ หนึ่งอาจจะเรียกว่าความพอใจยินดีต้องการปรารถนาตัณหาเป็นต้นหรือสรุปว่าต้องการให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นของของตนในส่วนของตัณหานั้นก็คือตัณหาสามประการที่กล่าวก็เป็นลักษณะของกิเลสประเภทโรกกลดหลงนั่นเองแต่เรียกอาการซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตแล้วทำให้จิตติ้นทาให้จิตสายทาให้จิตแล่นไป แล้วก็มุกมุ่นครุกคราวทะเยอทะาอยานอยู่ในอารมหล่านั้นลักษณะของกิเลสที่มีความเข้มข้นมีความรุนแรงสูงจนเป็นตันหารูจ้าทรงแสดงลักษณะเอาไว้ปโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นเรื่อยไปไม่หยุดจนถึงกับปรารถนาข่อยความพบชาติต่างๆที่ปรณีตที่ตนต้องการ และจิตใจของบุคคลสารคดผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นทั้งในขั้นกำหนดหมายทั้งในขั้นการสแสวงหาทั้งในขั้นของการครอบครองทั้งในทางขั้นของการหวงแหนรักษาทั้งในขั้นของสิ่งนั้นพลรากจากไปใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นและจิตใจจะเพเลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นไม่หยุดอยู่กระที่ มีลักษณะคืบคล า, านไปไม่หยุดทำนองปริงหรือทานองวานนอนที่วิ่งไปเป็นต้นไม้คือทานองของนกประเภทที่เรียกว่าไม้หากาะคือจับต้นไม้อะไรก็ไปร้องมาของเราของเราตลอดชาติของแกคือจับอะไรแกก็ร้องมาของเราทุกทีแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราวิจิกิจฉาคือความเครีอดแกร่งสงสยัยนั้น เป็นมนติินใจเป็นสนิมใจมีทุกลำดับชั้นของกิเลสคือชั้นในชีวิตประจำวันไม่แน่ใจแต่สินใจไม่ได้ในชั้นของนิวรณ์ในชั้นของสังโยชน์ในชั้นของอนุสัยคึอลึกลงไปได้โดยลาดับความสงสัยในชั้นลึกก็เป็นเรื่องของความสงสัยในลักษณะของอารมณ์ที่ลึกจนสงสัยในสมาธิ สงสัยในความสงบสงสัยในกิเลสสงสัยในวิปัสสนามากโผลเป็นต้นมันก็ยังเป็นความสงสัยอยู่ทั้งสมประการนี้คือกิเลสกามก็ดีตัณหาก็ดีและวิจิกิจฉาคือความเครื่อแกร่งสงสัยก็ดีก็เป็นการแสดงถึงสมุทัยสัตย์ความจริงคือเหตุเกิดของทุกข์นั่นเองพอมาถึงวิโมก ที่ท่านถามว่ามีโมกอื่นของบุคคลใดไม่มีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าใจของบุคคลไม่มีกามไม่มีกิเลสสกาบไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาวิโมกอื่นของคนนั้นก็ไม่มีคำม่าวิโมกนั้นเป็นชื่อของนิโรธคือความดับทุกข์หรือเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าสันติก็แล้วแต่จะเรียกบางครั้งจะมีคามาติดกันสองแข่งเรียกว่าปะโมกกับวิโมก วิโมกกับปะโมกถ้ามากันอย่างนั้นวิโมกก็หมายถึงเขตุปะโมกก็หมายถึงผลพูดในชั้นละเอียดวิโมกก็หมายถึงมรรคปะโมกก็หมายถึงผลที่เรียกว่าอริยมรรคอริยผลแต่ในที่นี้เมื่อมาองค์เดียวก็เรียกรวมไปเลยคือหมายทั้งมรรคทั้งผลเพราะในแง่ของการปฏิบัติแล้วทั้งมรรคทั้งผลนั้นต่อเนื่องถึงกันไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่าง ปหัหาที่น่าศึกษาก็คือขำววิโมกเป็นผลเพราะ ว, วิโมกเองต้องเกิดขึ้นมาจากมักคือหลักของการประพฤติปฏิบัติในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานนี่เองเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวพร้อมที่จะยกจิตขึ้น พิจนารนณามารูปหรือพิจารณาอะไรก็ตามในจุดจย่อยๆซะ ก, ก่อนโดยให้เห็นตามความจริงตามหลักของปะจตัยหลักแต่ในชั้นของการยกขึ้นมาพิจารณานั้นให้ลองสังเกตว่าแม้ในบทสวดมนต์ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายสวดกันโจ้คือธรรวัดเช้าเราก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอยา่าง รูปังงานิจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนานิจจาวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญานิจจสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารานิจจสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังานิจังวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ยกข้ออื่นอีกรูปังงานตารูปไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนานตาเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนสัญญานตาสัญญาไม่ใช่ตัวใช่ตนสังขารานตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตน วิญญาณนางนัตตังวิญญาณทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นตนจากบทธรรมวัดเช้าแต่ละบทพิจริงก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าในตอนตอน้ตนๆเรามองเต็มที่ไม่ได้ก็มองในจุดใดจุดหนึ่งให้เห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆท่านจึงแบ่งสมาธิที่สืบเนื่องไปสู่วิปัสสนาไว้เป็นสามประเภท ไม่ใช่สามระดับคือเป็นสามประเภทอย่าพูดถึงความสงบที่เรียกว่าสามระดับสงบชั่วขณะสงบเพิ่มขึ้นสงบอย่าง แ, แน่แน่นั่นเรียกว่าระดับของจิตที่มันสงบเพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องของประเภทคือจำแนกตามการกำหนดอารมณ์พิจารณานามรูปของผู้ปฏิบัติในกรณีที่ยกเอวาวันิจังขึ้นพิจารณาก็เรียกว่า เป็นอนิมิตตาสมาธิคือมองให้เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายหรือนามรูปเป็นของไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรที่แท้จริงเพราะการพิจารณาในชั้นนี้ก็ยกเอานามรูปข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก่อนมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของนามรูปตัว น, นั้นการกําหนด พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปดูทุกสุดหรือพิจารณาทุกนวยะดูว่านวยะไหนที่ถูกกับจริตอัธยาศัยของตนและสามารถจะเห็นได้ชัดเจนด้วยนวยะนั้นก็มองจากไวยะนั้นเสียก่อนการที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนั้นเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ในขณะที่ตั้งอยู่นั้นก็เป็นการตั้งอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะการ ด, ดูอาจจะดูที่อะไรก็ได้ปดานารงกรรมาฐานทั้งหลายเช่นว่ายกเท้าขึ้นเป็นเกิดแล้วก็พอเหยียดเหยียบลงก็เป็นดับแต่ก่อนจากเกิดถึงจากยกขึ้นถึงเหยียบลงนั้นก็เป็นตั้งอยู่หรือหายใจเข้าเ ป, เป็นเกิดในขณะที่ลมหายใจเดินไปก็เป็นตั้งอยู่ อรมหายใจหายไปก็เป็นดับหายใจออกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเการมองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือมองความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏทุกขณนะมันก็มีอารมณ์ของกรรมาฐานนู่นตลอดในตัวของบุคคลในสิ่งรอบตัวบุคคลทุกอย่างนั้นตกอยู่ในใจรักษทั้งหมดเพตอนนั้นก็เป็นอารมณ์ที่จะให้กําหนดพิจิตรพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและความตั้งอยู่เพียงชั่วขณะของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน ประการต่อไปก็คือว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนการยกขึ้นพินิจพิจารณานั้นเมื่อยกมาถึงจุดนี้แล้วต่อไปบุคคลจะมองเห็นสังขารทั้งหมดเลยว่าเป็นของไม่เที่ยง เพราะงั้นผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะจะพบนัยยะของพระพุทธภาสิตอีกชั้นหนึ่งเป็นการแสดงโดยสรุปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เชี่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดคือตอนแรกนั้นยกขึ้นมาทีละอย่างมาดูทีละอย่างจนเห็นประจักษ์ชัด ไปในทียะยในอย่างในสิ่งนั้นแล้วก็มองเชื่อมก็ไปหาสิ่งอื่นก็มองเห็นว่าตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงไม่ เ, มเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดำรงอยู่ได้ชัว่วขณะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และจิตใจของบุคคล น, นั้นก็จะมองสายไปรอบหมดเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมดหรือว่าท่านที่จเจริญมาโดย อาศัยความสงบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจอันนี้จตตาคือความเป็นของไม่เที่ยงเห็นได้ยากก็มาดูที่ทุกขตาคือความปิตทุกขของสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะรู้สึกว่าความทุกข์นั้นออกจะเห็นได้ง่ายกว่าเนื่องจากชีวิตของคนเป็นก้อนของความทุกข์ล้วนๆที่หมุนไปแล้วก็เป็นไปอยู่ความทุกข์เป็นเรื่องที่ บุคคลทั้งหลายไม่ชอบมีความจริงช่งกันอยู่แล้วการยกขึ้นพิจารณาในแนวนี้ก็มองในแง่ที่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่สรุปรวมว่าเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าเหตุปัจจัยยกตัวอย่างว่าตัวบุคคลแต่ละคนเมื่อก่อนมันก็ไม่มี แต่เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมาสิ่งเหล่านั้นไม่ขัดแย้งกันมีความเกื้อกูลกันอยู่แล้วก็ไปกันได้สังขารเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากจุ ด, เ, ดเล็กๆก่อนเพราะสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงให้เห็นว่าดวงก่อนพิสูจทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุก คือดินน้ำลงไฟอากาศและวินดานคำว่าบุรุษในความหมายนี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่าประกอบด้วยธาตุทั้งหก ด, ดินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลงไฟอากาศนั้นเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมบิญญาณเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมแม้จะมองไปในส่วนอื่นมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันจะมองเป็นขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับธาตุถูกนี่เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าก็ตอบว่าพูดอย่างเดียวกันธาตุถกนั้นไปย่อยส่วนรูปขันห้าไปย่อยส่วนนาเพ ร, ะราะอะไรเพราะดินน้ำลมไฟอากาศนั้นที่จริงก็คือรูปแต่ถ้ามาย่อยออกไปเป็นห้าอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็คือนามแต่ในธาตุหกท่านพูดคําเดียวคำว่าวิญญาณจึงแสดงเห็นว่าขันห้าพูดไปย่อยนามธาตุหกมาย่อยที่รูปออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปนามหรืกอกายกับจิตนั่นเองไม่ค้นไปจากความเป็นรูปเป็นนามไปได้เพราะการเรียนรู้จึงไม่จําเป็นว่าจะต้องไปมองในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะทั้งหมดนั้นเป็นรูปนาม การปฏิบัติระดับของกรรมฐ า, านจึงไม่อยู่ที่มองอะไรแต่ปัญหาสำคัญว่ามองอย่างไรมองให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เห็นไตรลักษณ์ในด้านอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงมองให้เห็นในแง่ของความเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัย ไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแกก็ลดดำรงอยู่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่ถ้าเหตุปัจจัยแตกสลายไปแกก็แตกสลายที่จริงไ ม, ไม่ต้องดูอะไรเปิดตู้เย็นมาถึงดูมันก็เห็นทุกขัสัจะเรื อ, อนิ จ, จตาแล้วตักน้ำไปใส่ในตู้เย็น น้ำก็ น, น้ำธรรมดาพอข้าไปอยู่ตู้เย็นหน่อยหนึ่งได้เหตุปัจจัยใหม่มันแข็งเสร็จ แ, แล้วก็เปิดตู้เย็นมันก็เข้าวสู่อณิจจตาอีกคือเปลี่ยนแปลงกลับเข้ามากลายเป็นน้ำธรรมดาอีกปิดก็ไปใหม่มันก็หมุนกลับไปใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เรียนได้ทุกเรื่องแม้แต่อาหารแม้แต่ใบไม้ใบเดียวเป็นการสอนให้มองเห็นอณิจจตาทุ ก, กาตาในสิ่งเหล่านั้นได้ยงดังหนึ่งเมื่อ สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการแผดเผามีการเบียดเบียนเบียดเบียนใ้สูงขึ้นหรือว่าลงก็ตามบางอย่างมันแผดเผาเป็นหนึ่งเนืองนิดที่ท่านเรียกว่านิพพัตตานทุกคือทุกหนึ่งนิดหิวข้าปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ เ, าเจ็บเมื่อยไปในร่างกายก็นี่เรื่องทุกประจําทุกหนึ่งนิดต้องบริหารกันอยู่ตลอดระยะเวลา ก็เห็นกันชัดเจนว่าแกแผดเผาแกเบียดเบียดอุตสารับประทานอาหารเสอิ่มแกเผาเส้จนย่อยเราก็หิวอีกก็นั่งแก้ทุกข์กันอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะฉั้นมองในแนวของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างนั้นเป็นครูได้ทั้งหมดที่จะเรียนรู้ใจรักได้ทั้งหมดเมื่อแกแผดเผามากหนักข้าวก็ะเราะร้อน และความเราร้อนก็ดีอาการแผลเผาก็ดีก็ให้เกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เหตุปัจจัยแล้วและให้ลองสังเกตว่าวิธีการสอนในแนวนี้ของพระพุทธเจ้าพระพระธเจ้าท่านปูมาให้ดูตลอดแม้แต่เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยก็สอนเพิ่มพูนวิปัสนาจิตขึ้นภายใน ใ, นใจ เพื่อให้บุคคลเห็นไปจากไปจากชัดในสิ่งเหล่านั้นจนในที่สุดเมื่อเรามองยกเอาจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดังกล่าวแล้วอาจจะยกเอารูปเอเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณขึ้นมาทีละอย่างหรืออาจจะยกเอาดินน้ำลงไฟอะไรก็ตามขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนและในที่สุดก็จะมองสรุปมองสรุปเป็นอะไรมองสรุปเป็นสังขารทั้งหมดว่าเป็นทุกข์ จะเรียกว่ายังไงก็ตามประณีตจา่ละเอียดก็ตามคือสรุปแล้วก็เป็นทุกข์เพรา ะ, ะนั้นจึงมีพระพุทธภาสิต ท, ที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหนายในทุกข์ที่ไปยึดติดอยู่นั้นนี้เป็นทางของความหมดจดแสดงว่าเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงก็หมดจด เห็นทุกตาคือเห็นความเป็นทุกข์กหมดจดเวลาจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเพราะเห็นอานิจนจตาหรืออานิจจังความไม่เที่ยงก่อนท่านก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกเ์แปลว่าจิตหลุดพ้นเพราะมองเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรถ้าจิตไปหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเพราะมองเพราะเห็นทุ ก, กตาก่อน ท่านก็เรียกว่าอปนหิตะวิโมกคือจิตหลุดพ้นเพราะมองเห็นสัตว์ได้สังขารว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรท่านที่บำเพ็ญเพียรในด้่นจิตใจมองเห็นสัตว์ไดสังขารจนถึงธรรมทั้งหลายด้วยเห็นว่าเป็นอนัตตาพรานการมองในแนวนี้ ให้สังเกตว่าอย่างหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าพูดเจาะเรื่องจะทรงชช้คำว่าสังขารทั้งหลายได้เช่นว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาในพูดได้แต่ถ้าหา<ม>ก็พูดรวมแล้วจะใช้คําว่าธรรมอาอนัตตาคือมองให้เห็นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะไม่มีอะไรที่บุคคล สามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตดต้องการได้าขอจงเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นคือขอไม่ได้สักอย่างหขอสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปขออย่าให้เก็บจะให้ตายก็มีการแก่เจ็บตายขอให้ลาบยศทั้งหลายเกิดขึ้นแก่เราในทางที่ชอบทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ คือสรุปว่าไม่ได้ตามใจหวังไว้ทุกกรณีแม้จะได้ตามใจหวังก็เป็นการได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองต่ถึงโอกาสเึ่งสิ่งนั้นก็ต้องเป็นไปาตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของสัตว์และสังขารอย่างแท้จริงการยึดถือเป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติเท่านั้นเอง อย่างทีง่เคยยกตัวอย่างเห็นได้ชัดชมากที่สุดก็คือเรื่องเงินในกระเป๋าเป็นบทเรียนที่สอนอนัตตาได้ชัดเจนมากรับเงินเดือนมาก็เป็นของเราใส่กระเป๋าออกมาไม่ทันพนสํานักงานที่ทํางานเจ้าหนี้มารออยู่ก็ต้องลวกให้เขาไปก็กลายเป็นของเขาเจ้าหนี่ได้ไปแล้วก็อาจจะไปซื้อของไปจ่ายของก็กลายเป็นของเขาดื่นต่อไป และในที่สุดแกก็ไม่เป็นของใครแกมายัางไงแกก็กลับไปสู่สภาพอย่างนั้นจะเริ่มมาจากไม่มีแกก็กลับไปสู่สภาพไม่มีเหมือนเดิมอันสัตว์สังขารทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะที่จริงเงินใบหนึ่งนั้นก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเพียงแต่ไม่มีวิญญาณอาศัยวิญญาณคนเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบขอ ง, ขอ ง, ของ ไร้ลัทเหมือนกันแล้สิ่งเหล่านี้พอย่อยออกไปมันก็ว่างมันก็ศูนย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างแท้จริงอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเมื่อการประกอบการของอุปกรณ์ทั้งหลายสมบูรณ์การบัญญัติว่รถว่าเรือนมันก็เกิดขึ้นแต่พอสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกาันความมา ร, รถว่าเรือนก็หายไปการเพราะเชื้อให้บุก คนมองเห็นไตรลักษณ์ในแนวนี้ที่จึงมีทุกจุดอารมณ์ของกรรมฐานแต่ปัญหาสําคัญว่าเขาจะเอามาพูดก่อนหรือไม่พูดเท่านั้นเองเพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะพบว่าบางครั้งเราตั้งใจทําใจให้สงบนึกว่าจะภาวนาพุโทโธแต่มันไปอยากมองเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นนัตตาบ้างเกิดขึ้นภายในใจแสดงว่าเวนั้นใจมันน้อมไปทางวิปัสสนา ถ้าจะเรียกชื่อสมาธิเป็นภาษาบาลีถ้ามองเห็นตร อ, อนิจจตาก็เรียกว่าอนิมิตตาสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญาพิจารณาอนิจจตาถ้าเกิดไปมองในแนวทุ ก, กตาก็เรียกว่าอภินิหิตตสมาธิถ้าไปมองในแนวของอนัตตาก็เรียกว่าสุญญาตาสมาธิคือมองให้เห็นความว่างความไม่มีอะไรที่เป็นตัวจริงๆ ที่เป็นตัวควรควรยึดเป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริงเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเช่นในตาธาตุปพระในสมาสติปัฏฐานาสทุที่ได้กล่าวมานานแล้วนั้นก็ทรงสอนให้แยกกายออกไปเป็นธาตุสีแต่เรียนยากร่างกายเรายังประกอบด้วยสัดส่วนที่ดีสวยงามอยู่แต่คนก็มีกิเลสตัณหาอยู่ในกายเพราะงั้น พี่เจ้า ก, ก็สอนบอกว่าเหมือนกับไปดูที่เขาเขาขายพ่อค้าขายหัวขายเนื้อในตลาดเมื่อก่อนนั้นก็เป็นเป็นโคเป็นควายแต่พอไปขายอยู่ตลาดปัญหาความเป็นโคเป็นควายเป็นไก่สุกรไม่ได้แยกย้ายกันออกไปคนก็ไปอยู่ส่วนหนึ่งหนังก็อยู่ส่วนหนึ่งเขาก็ส่วนหนึ่งเนื้อก็ส่วนหนึ่งกระดูกก็ส่วนหนึ่งเลยก็หาความเป็นโคไม่เจอไปแตะแล้วมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่บางครั้งส่งสอนให้มองสังขารเหมือน ก, ก, อ ร, ก ร, ระกรุ้ยเพราะเราจะพบว่าเอาก็จริงมันไม่มีในความเป็นกอะกล้วยก็กลายเป็นกาบกล้วยกลายเป็นใบตองกลายเป็นหัวปรีกลายเป็นลูกกล้วยอะไรก็ไม่รู้ย่อยออกไปหมดเลยสาสรสังขารก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าสมาธิที่มองเห็นนามรูปในแง่อนัตตลักษณะ คือมองเห็นเป็นหน้าตาอย่างนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าสุญญาตะสมาธิเพราะนั้นชื่อภาษาบาลีก็เป็นชื่อของธรรมะเป็นชื่อบรรญัติเรียกสุญญาตะสมาธิคือจิตสงบแล้วพิจารณาสัตว์สังขารทั้งหลายในแง่ของความว่างเปล่าโดยอาศัยลักษณะของอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็ไปสรุปรวมเช่นกับที่กล่ามาแล้ว มันพระเจ้าจึงกล่าวไว้อีกที่หนึ่งว่าเมื่อใดบุคคลทั้งหลายมาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้คือทางของความหมดจดจิตที่หลุดพ้นมาจากสายนี้เราเรียกว่าสุญญาตาวิโมกและเป็นวิโมกที่แท้จริงไม่ใช่วิโมกผิดพึงสังเกตว่าบางครั้งเราเรียกว่ามิจฉาญานมิจฉาวิมุต นั่นก็หมายความมาเดินผิดแต่สัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็เหมือนกับสัมมาวิโมกแต่วิโมกไม่ต้องใส่สัมมาแต่ น, นั่นเองก็เป็นชื่ออย่างเดียวกันเป็นเรื่องของความหลุดพ้นที่ถูกต้องอย่างเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าถ้ากรรมทั้งหลายของบุคคลใดก็ตามไม่มีตหนาของบุคคลใดก็ตามไม่มีบุคคลใดก็ตามที่ข้ามความสงสัยไปได้ วิโมกอย่างอื่นคือวิโมกที่ผิดของบุคคลนั้นก็จะไม่มีเพราะอะไรเพราะถ้าวิโมกผิดกามก็ดีตัณหาก็ดีความสงสัยก็ดีจะไม่หายไปจากใจวิโมกถูกเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะหายไปได้ที่จริงก็เป็นกฎธรรมดาอีกเกยนเคย เหมือนกับผลมะพร้าวจะต้องเกิดจากต้นมะพร้าวเท่านั้นเกิดจากที่อื่นไม่ได้ผลวิโมกความดับของกิเลสก็ดีผลที่ออกมาเป็นวิโมกวิมุตตินิพพานอะไรก็ดีจะต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรยงแปดประการเท่านั้นเกิดมาจากอื่นไม่ได้ไดจากการปฏิบัติโดยในยะนี้การพิจารณาโดยในยะนี้ จะทำให้ปัญญาเด็นชอบมังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นจะถ่ายถอนความยึดติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงทางกิตเป็นสูตรตายตัวเหมือนกันทุกครั้งทุกคนที่เกิดธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาทำนองเดียวกับถ้ากินน้ำตาลแล้วหวานทุกคนแสดงว่าเมื่อเบอร์หนายก็คลายกำหนัดพอคลายกาหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ ต่อจากนั้นก็จะมียานมันเกิดขึ้นว่าชาติความเกิดสิ้นแล้วพรมจารย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกันไม่มีอีกต่อไปนี่เป็นสูตรเฉพาะที่เหมือนการแก่ทุกคนการเห็นใจรักนั้นเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งและจะเห็นหมดคือทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเริ่มเทีนนัตตาก็ได้ทุกตาก็ได้อนิจจตาก็ได้ การเรียกในที่นี้เป็นการย่อยธรรมะออกไปแล้วไปกระจายผลความรู้ความเห็นขึ้นมาทีหลังเพื่อให้บุคคลได้เลือกไปประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับอัธยาศัยของต น, ท น, นตเท่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป